ยังไม่ได้เรียนจากครูบาอาจารย์มากนหะลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ประเภทโฉบโฉบนะพวกพระที่อุปถัมภ์เรียกหลวงพ่อว่าพวกพึ่งน้อยโฉบมากินน้ําหวานแล้วก็หนีไปนะี่หลวงพ่อจะไม่ไม่ติดครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะ่าสนใจอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเราเรียนจากหลวงพู ด, ดุล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 พอที่จะมีสติอยู่ทั้งวันนะหรือดูเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยถ้ามีความสุขก็มีสติมีความทุกข์ก็มีสติเฉยเฉยก็มีสติก็คือมีสติทั้งวันนะ้วพอมีสติแล้วก็ขาดสติอีกพอมีสติกับขาดสติก็เป็นของคู่กันอีกนะเรียนก็เรียนคู่เรียนเป็นคู่คู่นะจิตมีราคะแต่จิตไม่มีราคะก็เรียนเป็นคู่คู่เวลาเรียนเรียนตัวไหน ก็เรียนตัวตัวที่มันเด่นอย่างราคามันเกิดใช่ไหมอย่างผดขึ้นมาเราก็เห็นเออจิตมีราคะทันทีที่เห็นจิตมีราคะราคาก็หายไปแล้วกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคะแต่ใจเราจะไปเพ่งเลงที่จิตที่มีราคะมันจะไม่มาเพ่งเลงที่จิตไม่มีราคะนั้นบางทีพูดย่อๆเขบอกว่าจิตมีราคให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตมีโมหให้รู้สิ่งที่ควบมาก็คือจิตที่ไม่มีราคามีโทสะไม่มีโมหะ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 พอรู้แจ้งในทำคู่เราจะรู้ทำหนึ่งเราจะเข้ามารู้ทำที่เป็นหนึ่งส่วนทำที่เป็นหนึ่งเนี่ยต้องเฉลียวใจขึ้นมารู้เองเฉลียวใจขึ้นมารู้เองมันจะปิ้งขึ้นมาเองให้เราเดียน ส, สิ่งที่เป็นคู่คู่นี่แหละสิ่งที่เป็นคู่คู่มันแสดงใจรักให้ดูสิ่งที่เป็นหนึ่งไม่แสดงใจรักสิ่งที่เป็นหนึ่งก็คือทำหนึ่งกับจิตหนึ่งเพราะงั้นเวลาภาวนานะ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 มันจะเห็นทันทีเลยว่ากายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตกายไม่ใช่เราลนะกายไม่ใช่ตัวเราแต่ากลายเป็นกายของเราลดสถานะจากตัวเราเป็นของเราเลยนะถ้าดูไปดูไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเลยทั้งรูปทั้งนามนะรว้นแต่บังคับไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ปิ๊งขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวเราพรนะโสดาบันก็เลยรู้ความจริงว่าทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่รู้อันเดียวพวกเราหลายคนพยายามรู้อันเดียว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 ดูท้องพองยุบไปแล้วแม้มันไม่สบายใจวันนี้นะเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีวะดูไปตั้งสองชั่วโมงยังไม่เป็นพระอราหันต์เลยชักโมโหแล้วโมโหขึ้นมานะก็รู้ทันโมโหนี่ก็เป็นจิตานุปัสสนาหงุดหงิดแล้วก็ใจมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามีโทมนัพขึ้นมานี่ก็เป็นเวทนา น, นุปัสสนาะเห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเป็นแต่สภาวะธรรมล้วนๆนี่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาขึ้นมา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 โอ้ท่านมีความสุขของท่านทั้งทั้งชาติเลยนะหลวงพ่อเนี่ยะไรคิดผิดเหนื่อยทั้งชาตินะฝ <c oughs> ึกเอาหน้าเอาเนื้อหาสาระให้ได้นะเปลือกก็แล้วแต่ใครชอบใครถนัดพองยุบก็ทำพองยุบไปใครถนัดขะยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ทำใครจะฝึกอย่างวัดป่าก็เอาใครจะทำอนาปัญสติก็ทำอย่างอนาปัญสตินะไม่เห็นคนทำได้จริงสักเท่าไหร่เลยนะ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 นิมนต์ครับนิมนต์